เพราะว่าประโยชน์อื่นจากการได้ความสันเสริญย่อมไม่มีเนี่ยนะคือถ้าหากว่ามีการทะเลาะเนี่ยนะสงครามน้ำลายเกิดขึ้นเนี่ยนะประโยชน์ก็คือได้รับการสันเสริญเท่านั้นแหละถ้าชนะไอ้ประโยชน์อย่างอื่นอีกไม่ได้หรอกเช่นไม่มีประโยชน์อื่นจากการได้สัรเสริญเช่นประโยชน์ตนก็ไม่ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองก็ไม่ได้ประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าก็ไม่ได้ ประโยชน์ต้นประโยชน์ลึกประโยชน์ลี้ลับประโยชน์ปิดบังประโยชน์ที่ควรนําไปประโยชน์ที่นําไปแล้วประโยชน์ไม่มีโทษประโยชน์ปราศจากกิเลสประโยชน์ผ่องแผ้วประโยชน์อย่างยิ่งย่อมไม่มีเนไหมเพราะมันก็ได้แต่คําสรรเสริญเท่านั้นแหละจะไม่ได้อย่างอื่นอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้คือสรุปว่าไม่ได้ประโยชน์ต้นไม่ได้ประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองอันทะเลาะกันจะได้ประโยชน์พวกนี้ยังไง ประโยชน์ชาตินี้ก็ไม่ได้ประโยชน์ชาติหน้าก็ไม่ได้ประโยชน์ตื่นประโยชน์ลึกประโยชน์ลี้ลับปิดบังควรนำไปนำไปแล้วประโยชน์ไม่มีโทษประโยชน์ปราศจากกิเลสประโยชน์ผ่องแผ้วประโยชน์อย่างยิ่งคือนิพพานก็ไม่ได้อะไรซากอย่างนอกจากคำชมเหมนนสรุปว่าความวิวาทกันเหล่านี้เกิดแล้วในสมณะทั้งหลายภายนอกศาสนานี้ความยินดีและความยินร้ายย่อมมีในเพราะความวิวาทเหล่านั้นคือถ้าวิวาทอานิสง์ก็ยินดียินร้ายนั่นแหละ บุคคลเห็นโทษแม้นี้แล้วพึงงดเว้นการคัดค้านกันเพราะประโยชน์อย่างอื่น จ, จากการได้สรรเสริญย่อมไม่มีนะประโยชน์ของการทะเลาะแก่งล้งกันก็แต่ก็ได้แค่คำยกย่องเท่านั้นแหละคาถาต่อไปว่าก็หรือว่าบุคคลกล่าวว่าท้าในท่ามกลางบริษัทย่อมได้รับสรรเสริญในเพราะทิฐินั้นนะนะบุคคลนั้นย่อมหัวเราะเฟื่องฟูด้วยประโยชน์ในความชนะนั้น เพราะบุคคล น, นั้นน่ะบรรลุประโยชน์นั้นแล้วได้เป็นผู้สมใจนึกนะถ้าตัวเองชนะนะก็ได้รับคำยกย่องได้รับเกียรติเหมือนกับนักมวยก็ถูกเขายกเขาชูกันก็ปลืม้มดีใจนะทหมายนี้ก็แถ่ายรูปกันหน้าดูเลยนะเอาไว้สำหรับคนชนะเนี่ยนะท่นก็เฟื่องฟูในในความชัยชนะอ น, นั้นแหละสมใจนึกเกิดชนะสมใจอยากนะ อธิบายว่าในเพราะทิฐินั้นความว่าบุคคลนั้นเป็นผู้อันเนี่ยชนหมู่มากสรรเสริญชมเชยยกย่องพันนาคุณในทิฐิความควรความชอบใจลัทธิของตนนะครัคนอื่นเขายกย่องแม่ลัทธิท่านดีจริงๆเหมือนกันคำว่ากล่าวว่าท้าในท่ามกลางบริษัทมีความว่าบอกกล่าวนะกล่าวบอกผู้กดแสดงแถลงให้รุ่งเรืองบัญญัติกําหนดซึ่งวาท่าของตนและวาทอนุโลมแก่วาทะของตน ในถ้ำกลางกษัตร์บริษัทพราบริษัทครืหาบดีบริษัทสมณะบริษัทชื่อว่าท่าเอ่อกล่าววาทะในถ้ำกลางบริษัทเนี่ยนะก็คือคนชนะก็ไปไปโชว์นะไปพูดให้ให้บริษัททั้งหลายเขาฟังกันบุคคลนั้นย่อมหัวเราะและเฟื่องฟูด้วยประโยชน์ในความชัยชนะนั้นนะคนชนะก็ต้องหัวเราะนะ่นะดีใจ ย, ยิ้มไปเลยว่า บุคคลนั้นเป็นผู้ยินดีหัวเราะร่าเริงชอบใจมีความดําเริบริบูรณ์ด้วยประโยชน์ในความชนะนั้นอีกอย่างหนึ่งบุคคลนั้นย่อมหัวเราะจนเห็นฟันฉะนั้นจึงชื่อว่าบุคคลนั้นหัวเราะนะคําเลยนะมีความสุขมากและว่าเฟื่องฟูด้วยประโยชน์ในความชัยชนะนั้นความว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เฟื่องฟูขึ้นเหิเหมเป็นดุจธงชัยของตนขึ้นความที่จิตใคร่ยกไว้ดังธงยอดด้วยประโยชน์ในควชัยชนะนั้นนะ มันก็เด่นส ม, สมใจอยากสมความปรารถนาที่ตัวเองได้รับชัยชนะเนี่ยท่า น, นบุคคลนั้นได้บรรลุประโยชน์นั้นแล้วก็เป็นผู้สมใจนึกคือบรรลุถึงได้ประสบได้เฉพาะในประโยชน์คือความชนะคําว่าได้เป็นผู้สมใจนึกก็คือเป็นผู้สมใจนึกสมเจตนาสมควรแก่ความดําริสมดังวิญญาณ น, นะสมความปรารถนาบางท่านเถอะกว่าท้าที่ตัวเองได้รับชัยชนะนะดีใจมาก ก็สอนตอนไปสอบแข่งและชนะนี่ดีใจนี้วนะ่าชฉยอะนะใชยโลผ้ารือเฉยโทสะใชยโลผ้าอยู่แล้วนะก็โลภ้าอุเบกขาไงลองไม่ได้ดูส <c oughs> ิก็หรือว่าบุคคลกล่าวว่าถ้าในท่ามกลางบริษัทย่อมได้รับสรรเสริญในเพราะที่ถินั้น บุคคลนั้นย่อมหัวเราะและเฟื่องฟูด้วยประโยชน์ในความชัยชนะนั้นเพราะชนะบุคคลนั้นบรรลุประโยชน์นั้นแล้วเป็นผู้สมใจนึกนะที่เขาประกวดนะประกวดนางงามเป็นต้นนะคนชนะเขาดีใจจนร้องไห้เลยนะพวกนักฟุตบอล น, นักกีฬาทั้งหลายแหละก็ดีใจกันลักษณะนี้นี่แหละนะคนพวกโตวาทะทั้งหลาเนี่ยเขาชนะเขาก็ดีใจเพราะสมัยก่อนนี้เขายกย่องนับถือมากะนะผู้ที่ชนะสงครามน้ําลายอันนี้ขึ้นเนี่ย พระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าความเฟื่องฟูเป็นพื้นย่ำยีแห่งบุคคลนั้นบุคคลนั้นย่อมกล่าวความถือตัวและความดูหมิ่น น, นะเมื่อตัวเองชนะใช่ไหเฟื่องฟูดีใจอะไรเกิดขึ้นก็ถือตัวสิกันนี่มานะก็แก่ออ ก, แกล้าเข้าแก่กล้าแสดก็ดูหมิ่นคนอื่นบุคคลเห็นโทษแม้นั้นแล้วไม่ควรวิวาดผู้ฉลาดย่อมไม่กล่าวความหมดจดเพราะวิวาทเนีย่ยนะ การไปทะเลาะกันสงครามน้ำลายแบบนี้นะคนชนะก็แหม я, ดีใจเฟื่องฟูพอดีใจอย่างนี้ก็มาณถือตัวเย่อหยิ่งแล้วก็คนอื่นก็ไม่อยู่ในสายตานะเที่ยวดูหมิ่นคนอื่นหมดแหละถ้าหากว่าเห็นโทษอย่างนี้แล้วก็อย่าไปวิวาทกันไม่ควรวิวาทเพราะว่าไอ้ความวิวาทนั้นนะ่ะมันไม่ได้ทำให้บรรลุอรหรัตอรหันอะไรหรอกไม่ได้หมดจดวิเศษละกิเลสไม่ได้หรอกไอ้สงครามน้าลายแบบนี้ ม, ม, brain, มีความว่าความเฟื่องฟูเป็นพื้นย่ำยีแห่งบุคคลนั้นมีความว่าความเฟื่องฟูคือความเห่อเหิมความเป็นดุดทงชัยความยกย่องตนขึ้นอ่ะความที่จิตใครยกไว้ดังทงยอดความเฟื่องฟูนั้น่ะเป็นพื้นย่ำยีคือเป็นพื้นตัดรอนเป็นพื้นเบียดเปลี่ยนเป็นพื้นบีบคั้นเป็นพื้นอันตรายเป็นพื้นอุปสรรคแห่งบุคคลนั้นฉะนั้นเขาบอกว่าความเฟื่องฟูเป็นพื้นย่ำย่ำยีบุคคลนั้น่ะนะ จริงก็เดือดร้อนนะเพราะความเฟื่องฟูดีใจนั่นแหละคาว่าบุคคลนั้นย่อมกล่าวความถือตัวและความดูหมิ่นความว่าบุคคลนั้นกล่าวความถือตัวและความดูหมิ่นคำว่าเห็นโทษแม้นั้นแล้วไม่ควรวิวาทมีความว่าเห็นพบเทียบเคียงพิจารณาทำให้แจมแจ้งทำให้เป็นแจ้งแล้วซึ่งโทษนั้นในเพราะความทะเลาะกันเพราะทิฐินะสงครามวาทะห้ามหันด้วยทิฐิเดียนะ ความหมายมั่นกันเพราะทิฏฐิความแก่งแย่งกันเพราะทิฐิความวิวาดกันเพราะทิฐิความมุ่งร้ายกันเพราะทิฏฐิเพราะฉะนั้นเห็นโทษนั้นแล้วเห็นโทษของการทะเลาะกันด้วยวาจาสงครามทิฐิสงครามความเห็นเนี่ยนะสงครามความเชื่อนี่แหละคำว่าไม่ควรวิวาทกันก็คือไม่พึงทําความทะเลาะความไม้มั่นกันความแก่งแย่งกันความวิวาทกันความมุ่งร้ายกันคือพึงละบรนเทาทําให้สิ้นไป ทำให้ถึงไม่มีในภายหลังซึ่งความทะเลาะกันความหมายมั่นกันความแก่งแย่งกันความวิวาดกันความมุ่งร้ายกันคือพึงเป็นผู้งดเว้นเว้นขาดออกไปสละทนขาดพรากออกไปจากความทะเลาะกันความไม้มั่นกันความแก่งแย่งกันความวิวาดกันความมุ่งร้ายกันและก็พึงเป็นผู้มีจิตกระทําให้ปราศจากเขตแดนอยู่นี่เรียกว่าถ้าเห็นโทษของการ ทะเลาะเบาแวงกันสงครามน้ำลายสงครามเชื้อดเือนด้วยที่ถี่อย่างนี้ก็อย่าไปทะเลาะกันนะมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเหมือกันอย่างมากก็ได้ดีใจนี่แหละพอดีใจเสร็จมาณนะดูหมิ่นคนอื่นก็อยู่งั้นแหละคําว่าผู้ฉลาดไม่กล่าวความหมดจดเพราะความทะเลาะวิวาทนั้นคือผู้ฉลาดผู้ฉลาดก็คืออะไรผู้ฉลาดในขันาธาตุอายตนะเนี่ยนะก็คือผู้ฉลาดในปริญญาธรรมเนี่ยนะ ผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทก็คือปหาตประธรรมหรือผู้ฉลาดในสมุทัยสัตว์ผู้ฉลาดในสติปัญญาฉลาดในสัมมปัญญาฉลาดในอิทธิบาทฉลาดในอินทรีย์ฉลาดในโพชฌงฉลาดในพระฉลาดในโพชฌงฉลาดในองค์มรุ๊กเนี่ยอันผู้ฉลาดในมรรคสัตว์ผู้ฉลาดในโพธิปักขยธรรมนะผู้ฉลาดในภาเวตปธรรมเนี่ยนะผู้ฉลาดในผลฉลาดในนิพพานก็คือผู้ฉลาดในสัจชิกาตประธรรม ผู้ฉลาดในทีนี้ก็คือผู้ฉลาดในอริยสัจนั่นเองผู้ฉลาดเหล่านั้นย่อมไม่กล่าวไม่บอกไม่พูดไม่แสดงไม่ถแถลงถึงความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบเพราะความทะเลาะกันเพราะทิฏฐิไม่ใช่ว่าทะเลาะกันอย่างนี้แล้วมันจะบริสุทธ์อะไรได้หรอกมนัน ความหมายมั่นกันเพราะทิฏฐิความแก่งแย่งกันเพราะทิฏฐิความวิวาทกันเพราะทิฏฐิความมุ่งร้ายกันเพราะทิฏฐินะมันจะเอาทิฏฐิเหล่านี้มาเชื้อดเฉือนกันแล้วจะทําให้บริสุทธิ์วิเศษเนะบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ได้หรอกสรุปว่าความเฟื่องฟูเป็นพื้นย่ํำยีแห่งบุคคล น, นั้นบุคคล น, นั้นย่อมกล่าวความถือตัวและความดูหมิ่นบุคคล น, นั้นเห็นโทษแม้นั้นแล้วไม่ควรวิวาทกันอนะ เพราะผู้ฉลาดในอริยศั์ย่อมไม่กล่าวความหมดจดเพราะวิวาทกันเลยเนี่ยนะยกให้ชนะไปเลยนะยกให้หมูชนะไปเลยเดีวนะราชสีไม่ต้องไปสู้หลอกกันนะไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกถึงชนะมึงแหมก็เปื้อนปากเปื้อนเล็บเปื่อนอะไรมาหมดเลยนะมันยกให้ชนะไปเลยเนี่ยนะคนกล้าที่พระราชาชุบเลี้ยงด้วยของเคี้ยวผู้ขนองปราถนาคนกล้าที่เป็นศัตรูย่อมพบคนกล้าที่เป็นศัตรูฉันใด เจ้าทิฐิพบเจ้าทิฐิก็ฉันนั้นดูก่อนท่านผู้กล้าเจ้าทิฐิอยู่ที่ใดท่านจงไปเสียจากที่นั้นกิเลสทั้งหลายของตถาคตไม่ได้มีในเบื้องต้นเพื่อจะรบนะอันนี้ก็พระองค์ก็กล่าวถึงไอคนที่มาทำอันวาทะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้อประมานะคนที่พระราชาชุบเลี้ยงมาเป็นอย่างดีนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือนักมวยที่ถูกขุนมาเป็นอย่างดีจะทาไง มันก็กล้ามอยากจะชกอยากจะต่อยอย่างเดียวนะอะพวกนักรบทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยที่ที่เขาเลี้ยงชุบเลี้ยงมาเป็นอย่างดีก็ขนองใช่ไหมปรารถนาอยากจะพบปะศัตรูนี่แหละนะจะได้รู้ฝีมือเราซะบ้างอย่างเงี้ย น, นะพวกไอ้เจ้าที่ถก็เหมือนฉันนั้นเพราะฉะนั้นตัวท่านเนี่ยจงไปจากที่นี่ <c oughs> อ่ะนะเจ้าลัทธิที่ใดที่เขาสงครามน้ําลายกันเนี่ยท่านไปที่นั่น เพราะกิเลสเพื่อจะรบกันด้วยทิฏฐิแบบเนี้ไม่มีหรอกสําหรับพระพุทธเจ้าว่างั้นคําว่าคนกล้าได้แก่คนกล้าคนมีความเพียรคนต่อสู้คนไม่ขาดคนไม่หวาดเสียวคนไม่คั่นคล้มคนไม่หนีเนี่ยนะคำว่าที่พระราชาทรงชุบเลี้ยงด้วยของเคี้ยวความว่าผู้อันพระราชาทรงชุบเลี้ยงคือเลี้ยงบํารุงเพิ่มพูนให้เจริญด้วยของเคี้ยวของพระราชาด้วยของควรบริโภคของพระราชาก็เรียกว่าคนที่พระราชาชุบเลี้ยง ผันคนกล้าผู้ขนองนั้นนะน่ะนะร้องท้าทายบรรลือลั่นปรารถนาะยินดีมุ่งหวังประสงค์พอใจซึ่งคนกล้าผู้เป็นศัตรูคือบุรุษที่เป็นปฏิปักษ์ศัตรูที่เป็นปฏิปักษ์นักรบที่เป็นปฏิปักษ์นะย่อมพบคือถึงเข้าถึงคนกล้าที่เป็นศัตรูฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ขนองปรารถนาะคนกล้าที่เป็นศัตรูย่อมพบคนกล้าที่เป็นศัตรูเนี่ย น, นะฉันได้เจ้าทิฏฐิพบเจ้าทิฏฐิก็ฉันนั้น ก็เขาก็ต้องการจะเจอคนมีทิถิเหมือนกันเนี่ยนะจะได้เชื้อเชื้อนกันด้วยทิฐินี่แหละดูก่อนท่านผู้กล้าเจ้าทิฐิอยู่ที่ใดท่านจงไปเสียจากที่นั้นเนี่ยนะคือถ้าเจ้าทิฐิอยู่ที่ใดนะก็ให้ไปหาที่นั่นเหมือนกันความว่าเจ้าทิถินั้นอยู่ที่ใดท่านจงไปคือดําเนินจงก้าวไปเสียจากที่นั้นนั่นแหละเพราะเจ้าทิถินั้นเป็นคนกล้าที่เป็นศัตรูคือเป็นบุรุษที่เป็นปฏิปักษ์ศัตรูที่เป็นปฏิปักษ์นักรบที่เป็นปฏิปักษ์นะ พันถ้าจะแข่งกันด้วยที่ถีก็ต้องไปหาเจ้าลัฐที่ที่ชอบแข่งในเรื่องที่ถีเหมือนกันนะเนเหมือนกับแข่งไก่ชนเนี่ยนะก็ต้องไปหาคนมีไก่ชนเหมือนกันน่แหละแต่ต้องการจะชนมวยก็ต้องไปหาค่ายอื่นแล้วต่อยกันอยนันคำว่ากิเลสทั้งหลายของตถาคตไม่ได้มีในเบื้องต้นเพื่อจะรบมันกิเลสเหล่าใดอันทาความขัดขวางทำความเป็นค่าศึกทำความเป็นเสีย น, น้ำ ทำความเป็นปฏิปักิกิเลสเหล่านั้นไม่ได้มีคือย่อมไม่มีไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้คือบาประรมอันตรคตละขาดสงบประงับทำให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานในเบื้องต้นนั่นแหละคือที่โคนโรพพฤกนะพระพุทธเจ้านี่ละกิเลสหมดแล้วใช่ไหมคำว่าเพื่อจะรบกงการเพื่อจะต้องการรบเพื่อความทะเลเพื่อความไม้มั่นเพื่อความแก่งแก่งเพื่อความวิวาสเพื่อความมุ่งร้าย เพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่ากิเลส ท, ทั้งหลายของตถาคตมิได้มีในเบื้องต้นเพื่อจะรบนะไอ้กิเลสเพื่อจะรบทะเลาะกันด้วยสงครามน้าลายสงครามทิฐิเนี่ยไม่มีรอกสำหรับพระพุทธเจ้าสรุปคาถาว่าคนที่พระราชาคือคนกล้าที่พระราชาทรงชุบเลี้ยงด้วยของควรเคี้ยวผู้ขนองปราศถนาคนกล้าที่เป็นศัตรูย่อมคบคนกล้าที่เป็นศัตรูฉันใด เจ้าทิฐิย่อมพบเจ้าทิฐิฉันนั้นดูก่อนท่านผู้กล้าเจ้าทิฐิอยู่ที่ใดท่านจงหลีกไปเสียจากที่นั้นกิเลส ท, ทั้งหลายของตถาคตไม่ได้มีในเบื้องหน้าเพื่อจะรบอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรรอกมทะเลาะ ก, กับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพรุทธเจ้าไม่มีกิเลสเรื่องทะเลาะ ก, กันรอกมาอคาถาต่อไปว่าก็ชนเหล่าใดถือทิฐิแล้วย่อมวิวาทกันและย่อมกล่าวว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงดังนี้ ท่านจงกล่าวกับชนเหล่านั้นนะพวกเจ้าลัทธิมีที่ใดเขายึดถือในเรื่องที่ถิ่นนะเขาไปทะเลาะกับเขาพวกนั่นแหละเพราะกิเลสที่ทำความขัดขวางกันเมื่อจะวเมื่อวาท่าเกิดแล้วย่อมไม่มีในที่นี้ในเรื่องการทะเลาะเรื่องไม่ว่าเรื่องสงครามน้าลายสงครามที่ถี่ไม่มีในสำนักเราตถาคตร้อกมา